ความในคุตการนิกายติวุตกะนะครับสังคาติสูตรว่าด้วยประพฤติผู้ประพฤติธรรมเนี่ยนะครับก็อยู่ใกลก็เหมือนกับอยู่ใกล้พระองค์แต่ถ้าผู้ไม่ประพฤติธรรมอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลพระองค์นะครับในข้อ272ดสิบองดูความพิสูจน์ทั้งหลายถ้าแม้ภิกษุจับชายสังคาติแล้วพึงเป็นผู้ติดตามไปข้างหลังข้างหลัง เดินไปตามรอยเท้าของเราอยู่ซสแต่พิสูุนนั้นเป็นผู้มีอภิชาเป็นปกติมาไปโดยโลภะนะมีความกำหนัดแรงกล้าในกามทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีความดําริแห่งใจชั่วร้ายมีสติหลงลืมไม่รู้สึกตัวมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดไม่สำรวมอินทรีย์โดยที่แท้ ภิกษุนั้นอยู่ห่างไกลเราทีเดียวและเราก็อยู่ห่างไกลภิกษุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นย่อมไม่เห็นธรรมเมื่อไม่เห็นธรรมย่อมชื่อว่าไม่เห็นเรานะครับนะพูดถึงภิกษุที่มากไปด้วยกิเลส ท, ทั้งหลายนะครับราคะโทสะโมหะสติหลงลืมเนี่ยนะครับมากไปด้วยอกุศล น, น, นะนะกุศลไม่เจริญเนี่ยนะครับ อยู่ใกล้ๆพระองค์ก็เหมือนกับอยู่ไกลนั่นแหละจากสูตรนี้ทำให้นึกถึงข้อความในบทว่าอารหังอรหังนี่มีความหมายว่าไกลจากผานนะไกลจากคนพานในอย่างหนึ่งอยู่ใกล้บัณฑิตในอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในดีกาก็จะยกเอาสูตรนี้ไปอธิบายนะครับว่าอยู่ใกล้เหมือนไกลอยู่ไกลเหมือนใกล้นี่นะครับสุดแท้แต่ว่าใครนะครับ หาว่าคนดีทั้งหลายถึงจะอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้ถ้าคนชั่วถึงกันอยู่ใกล้ๆก็มองไม่เห็นนะครับดูกนภิกษุทั้งหลายถ้าแม้ภิกษุนั้นพึงอยู่ในที่ประมาณร้อยโยตไซแต่ภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่มีอภิชาไม่มีความกำหนัดอันแรงกล้าในกามทั้งหลายไม่มีจิตพยาบาทไม่มีความดำริแห่งใจชั่วร้ายมีสติมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่น มีอารมณ์เป็นอันเดียวนะครับคือเป็นเอกคตานะครับมีจิตเป็นสมาธิเนี่ยนะสำรวมอินทรีย์โดยที่แท้ภิกษุนั้นอยู่ใกล้ชิดเราทีเดียวและเราก็อยู่ใกล้ชิดภิกษุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นย่อมเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมย่อมชื่อว่าเห็นเรานะครับก็จะเห็นพระองค์ว่าศัยเห็นธรรมนะครับผมก็จัดเป็นคาถาประพันธ์ว่าบุคคลผู้มักมาก มีความขับแค้นยังเป็นไปตามตันหาดับความเร่าร้อนไม่ได้แม้หากว่าพึงเป็นผู้ติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้ผู้ดับความเร่าร้อนได้แล้วไยบุคคนนั้นผู้กำนัดยินดีชื่อว่าพึงเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากความกำนัดยินดีเพียงในที่ไกลเท่านั้นนะครับเนไ มากไปด้วยกิเลสเนี่ยนะครับมากไปด้วยกิเลสมากไปด้วยบาปอากุศลเนี่ยนะอยู่ใกล้ก็เหมือนไกลพระองค์นะครับเพราะว่าจิตใจนี่ห่างกันเหลือเกินนะครับส่วนบุคคลใดเป็นบัณฑิตรู้ธรรมะด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ธรรมะอันยิ่งเป็นผู้หาความหวันไหวไม่ได้สงบประงับเปรียบเหมือนห้วงน้ําที่ไม่มีลมเช่นั้นบุคคลนั้นผู้หาความหวันไหวไม่ได้ทั้งดับความเร่าร้อนได้แล้ว ผู้ไม่มีความกำหนัดยินดีชื่อว่าพึงเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาความหวันไหวไม่ได้ทั้งดับความเร่าร้อนได้แล้วปราศจากความกำหนัดยินดีในที่ใกล้แท้นะครับมันก็คนที่มีสติมีปัญญาา ม, มากไปด้วยคุณงามความดีก็อยู่ใกล้พระองค์นะครับนี่ก็ข้อความในสังาติสูตรนะครับ แต่ว่าสำนวนว่าถึงจะจับชายสังคาติอยู่นะถ้าจิตเป็นบาปอากุศลก็อยู่ใกล้พระองค์ถ้าหากว่าอยู่ไกลแต่ว่าใจนี่เป็นไปกับธรรมตลอดก็ชื่อว่าอยู่ใกล้พระองค์ของเราในยุคนี้นะครับถ้าหากว่าจิตเป็นอกุศลเนี่ยนะกายก็อยู่ไกลด้วยใจก็ไกลหนักเข้าไปอีกนะครับถ้าหากว่าบาปอาาะไรนะร่างกายก็ห่างแล้วนะถ้าปล่อยจิตให้เป็นไปไหลไปกับบาปก็ห่างไปอีกนะอธถกถานะครับ ประมาททีปณีอัตกะถาคุถกานิกายอิติพุตธะอธิบายว่าบทว่าสังคติกันเนได้แก่ที่ชายจีวอนอาคามะสังคตินี้เป็นชื่อของจีวอนนะครับผ้าจีวอนก็เรียกว่าผ้าสังคติเหมือนกันบทว่าขเหตตวาความว่าเกาะบทว่าอนุพันโทอัศความว่าพึงติดตามไปมีพุ้ท้าที่บายว่าดูความพิสูทั้งหลายภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ เป็นเสมือนใช้มือของตนเกาะชายสุคตมหาจีวอนที่เราตถาคตห่มแล้วติดตามเราตถาคตไปคือเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดเราตถาคตอย่างนี้นะครับบทว่าปาเทปาทางนิขิปันโตความว่าท่อเท้าของตนลงที่รอยเท้าของเราตถาคตผู้กําลังเดินไปคือในที่ที่เราตถาคตวางเท้าลง ถัดจากการยกเท้าขึ้นแล้วนะครับหมายความว่าพ่ อ, องค์ยกเท้าขึ้นเราวางเท้าตามเลยนะครับเดินชิดขนาดนี้นะด้วยคำทั้งสองนี้นะครับคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าพิว่าเธอจะไม่ละทิ้งคือหางเหินไม่ว่าจะที่ยืนหรือที่เดินของเราตถาคตอยู่ใกล้เราตถาคตตลอดทุกเวลาไซ่นะครับโสอารกาวะไมห่างอาหันจะตระความว่าพิกสูนั้น เมื่อไม่บำเพ็ญปฏิปทาที่เราตถาคตกล่าวไว้แล้วให้บริบูรณ์ก็ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ไกลเราตถาคตทีเดียวเราตถาคตก็ชื่อว่าอยู่ไกลเธอเหมือนกันคือไอ้ตัวเนี่ยนะครับติดตามละชายผ้าก็จะชนชายผ้ามือก็จับชายผ้าเท้าก็จะเหยียบบนรอยเท้าของพระองค์นั่นแหละแต่ว่าไม่ได้บ๊ะพืช ป, ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่พระองค์ทรง ซอนเลยนะครับในไม่ว่าจะปฏิปทาทั้งหลายมีศีลเป็นต้นเนี่ยนะครับก็าไม่บำเพ็ญเนี่ยนะปล่อยจิตไปไหลไปกับบาปอากุศลก็ห่างพระองค์นะครับด้วยคำนี้พระองค์ทรงสแสดงว่าการเห็นพระตถาคตเจ้าด้วยมังสะจักษุนะครับคือเห็นด้วยตาเนื้อนเนี่ยนะการอยู่รวมกันทางรู ป, ปรกายก็ดีไม่ใช่เหตุของการอยู่ใกล้ แต่การเห็นด้วยญาณจักูุเท่านั้นและการรวมกันด้วยธรรมกายต่างหากเป็นประมาณในเรื่องนี้นะครับเอาสติเอาปัญญาเป็นเกณฑ์นะครับไม่ได้เอารูปร่างกายที่อยู่ใกล้ชิดกันเป็นเกณฑ์นะครับเอาสติเอาสัมปชัญญะเอาสติปทานเป็นต้นนะครับเป็นเกณฑ์ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะว่าภิกษุนั้นไม่เห็นธรรมเมื่อไม่เห็นธรรมก็ไม่เห็นเราตถาคต ในคําว่าธรรมังณปัสตินั้นเมียที่บายว่าโลกุตระธรรมเก้าชื่อว่าธรรมะก็เธอไม่อาจจะเห็นโลกุตระธรรมนั้นได้ด้วยจิตที่ถูกอภิชาเป็นต้นปทุสรายเพราะไม่เห็นธรรมนั้นเธอจึงชื่อว่าไม่เห็นธรรมกายคําว่าธรรมกายนี้หมายถึงโลกุตระธรรมเก้านะครับมรซีผลสีนิพพานหนึ่งนะครับไม่ใช่ไปเห็นรูปร่างกายอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นสีไม่ใช่นะครับ แต่หมายถึงเห็นอริยมรรค4ี่อริยผล4นะครับสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนวัค ก, กะลีเธอจะมีประโยชน์อะไรด้วยกายอันเปื่อยเน่านี้ที่เธอได้เห็นแล้วดูก่อนวัค ก, กะลิผู้ใดแลเห็นธรรมะคือโลกุตระธรรม9ก้านะผู้นั้นก็เห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นเราตถาคตผู้นั้นก็เห็นธรรมะนะครับ นี่พระองค์ no. Aí, ก็ทรงรับรองนะครับว่าเออจะต้องเห็นโลกุตรธรรมนะและพระองค์ยังตรัสที่อื่นอีกว่าเราตถาคตเป็นพระธรรมเราตถาคตเป็นพระพรหมดังนี้และว่าพระองค์เนี่ยเป็นธรรมกายบ้างเป็นพรหมกายบ้างนะครับกายที่เป็นธรรมะเนี่ยนะครับกายที่ประเสริฐนะธรรมกายนี้นะครับหมายถึงว่ากองแห่งธรรมะนะครับพรหมกายก็คือธรรมะที่ประเสริฐทั้งหลายนี่เองนะครับ เพราะฉะนั้นผู้ที่จะเห็นพระองค์จริงๆก็คือด้วยการเห็นโลกุตระธรรม9้าที่พระองค์ได้ทรงประกาศเอาไว้นะครับประกาศนะผู้เห็นแบบนั้นจึงจะเชื่อว่าเห็นพระองค์แท้จริงบทว่าโยชนะสเตความว่าในพื้นที่มีประมาณร้อยโยต์อธิบายว่าในที่มีร้อยโยต์เป็นที่สุดนะครับก็คือเป็นพันกิโลเนี่ยนะเพิ่งทราบความที่ท่านเป็นผู้ไม่มีการแพ่งแรงเป็นปกติด้วยสา ม, มารถแห่งการบรรลุอริยมรรค คนที่อยู่ใกล้พระองค์จริงๆก็คือคนที่ได้บรรลุอริยมักนั่นเองนะครับถึงจะอยู่ร่างกายถึงจะห่างไกลจากพระองค์ขนาดไหนแต่ใจทั้งหลายก็ชื่อว่าอยู่ใกล้พระองค์นะอย่างที่ลูกศิษย์พราหมภาวรีคนหนึ่งนะครับที่บอกว่าดูก่อนพราหมบ่างั้นกายของข้าพเจ้าห่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแต่ใจของข้าพเจ้านี่ไม่ได้ห่างเลยนะปีติศรัทธาเป็นต้นของข้าพเจ้าีน อยู่ใกล้ชิดหรือว่ามีคุณของพระ อ, องค์เนี่ยเป็นอารมณ์อยู่เสมอนะครับก็เล่านะโอ้โหท่านนี้ไปที่ไหนก็ติดตามนอบนอบ้อมน้ำม ก, การพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตลอดนะครับจิตเป็นไปกับพุทธคุณอยู่ตลอดเสมอแล้วก็ในคาถาที่พระ อ, องค์ตรัสว่าบุคคลผู้มากผู้มกักมากมากๆนะ ค, คือมีคุณธรรมก็เที่ยวเปิดเผยบอกคนอื่นทั้งหลายเลยเนี่ยนะครับ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 ความว่าชื่อว่าเป็นผู้มักมากเพราะมีความกำนัดแรงกล้าในกามทั้งหลายนะครับมักมากในกามเนี่ยนะครับบทว่าวิคาตวาความว่าชื่อว่าเป็นผู้มีความคับแค้นเพราะมีความดำริดด้วยใจที่ถูกความอยากประทุสรายแล้วเพราะเป็นผู้มีความมักมากด้วยอำนาจแห่งการอาฆาตในสัตว์ทั้งหลายและเพราะไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับคือเมื่อตัวเอง ตั้งความอยากแล้วคนอื่นเขาไม่เอามาให้เหมือนอย่างที่ตัวเองคิดไว้นะครับเป็นไงครับ น, นะอย่างเช่นใครไปเอ่ยปากว่าจะให้นู้นเราให้นี่เราเป็นต้นเนี่ยนะหรือไปขอขยันขยอจนให้เขารับปากให้อเสร็จแล้วเขาอาจจะติดขัดด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเขาไม่มีไ ม, ไม่ได้มาให้อะ่นะเสียอกเสียใจย ก, ยกใหญ่เป็นต้นนะนะลักษณะนี้แหละครับหรือว่าไม่ได้อย่างที่ต้องการคิดอะไรก็ไม่สมหวังซากอย่างก็จิตใจก็คับแคบคับแค้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะ บทว่าเอชานุโคความว่าเมื่อติดตามตันหานั้นไปเหมือนเป็นาธาตุของตันหากก่าวคือความหวั่นไหวยังไม่ดับเพราะถูกความกวนกวยเกิดแต่กิเลสมีราคะเป็นต้นครอบงามแล้วคือติดอยู่แล้วด้วยความจํานงอารมณ์มีรูปเป็นต้นนะครับหวังที่จะเห็นหวังที่จะได้ยินหวังที่จะรมกลิ่นหวังอาหารอร่อยอร่อยหวังที่อยู่สบายสบายเป็นต้นเนี่นะครับ หวังคิดแต่ความเพลิดเพลินไปตามอำนาจของกิเลส ท, ทั้งหลายเนี่ยนะครับบทว่าปัสะยาวันจะอารกามีความว่าผู้มีความมักๆมถึงอยู่แม้ใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่หวั่นไหวผู้ดับทุกข์ได้แล้วผู้ปราศจากความกำหนัดแล้วตามอำนาจแห่งโอกาสแต่ยังเป็นผู้คับแค้นติดตามกิเลสชื่อว่าตัหาไปยังดับทุกข์ไม่ได้ ยังกำหนัดคือยังเป็นภาระปุถุชนตามสภาวธรรมชื่อว่าเห็นพระองค์ได้ตลอดเวลาที่ประทับอยู่ในที่ไกลแม้การจะกราบทูลก็ไม่ใช่จะทําได้ง่ายนะครับคือตัวเองเนี่ยมากไปด้วยบาปอากุศลทั้งหลายแล้วนี่นะครับจิตใจเป็นไปด้วยกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะถึงจะอยู่ใกล้พระองค์ก็ไม่กล้าคุยกับพระองค์นะครับกลัวนะเดี๋ยวพระองค์มาทักจะว่ายังไงเข้านะครับใช่ไหมกําลัง จิตเป็นไปกับบาปตลอดเนี่ยนะเหมือนกับที่พระองค์ตรัสไว้ในสุวิทุรสูตรว่านักปราชญ์กล่าวว่าท้องฟ้ากับแผ่นดินอยู่ไกลกันฟังมหาสมุทรก็อยู่ไกลเหมือนกันฝนะังมหาสมุทรฝั่งนี้กับฝั่งโน้นเนี่ยไกลกันแต่ท่านกล่าวว่าธรรมะของสัตว์บุรุษกับธรรมะของอาสัตว์บุรุษไกลกันยิ่งกว่านั้นอีกนะครับคนธรรมะของคนดีธรรมะของคนพาณิห่างกันเหลือเกินนะครับ สัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐินี่มันห่างกันมหาศาลอภิชากับอนัภิชานี่ก็ห่างกันมหาศาลพยาบาทกับความไม่พยาบาทนี่ห่างกันจริงๆแล้วก็คิดดูนะครับพบที่มากไปด้วยโทสะ ค, คือนรกพบที่ไม่มากไปด้วยโทสะ ค, คือพรหมโลกเนี่ยมันห่างกันขนาดไหนนะครับบทว่าธรรมม ะ, มะพิญยาญาเนี่ยนะครับความว่าเพราะรู้ยิ่งคือได้ เข้าใจได้แก่ทราบสัจธรรมทั้งสในตอนต้นด้วยยาติปริญญาและตีรณปริญญาเนี่ยนะครับเรียกว่าธรรมมังอภิญญายะเนี่ยนะครับรู้ธรรมเนี่ยนะเป็นผู้ที่รู้ยิ่งซึ่งธรรมเนี่ยหมายถึงรู้ด้วยยาติปริญญาและตีรณปริญญาตามสมควรนะครับบทว่าธรรมมัญญายะความว่ า, วารู้ธรร ม, มะนั้นนั่นแหละในตอนต่อมาด้วยมัคคิยานตามขอบเขตด้วยอํานาจปริญญาเป็นต้นนะครับ ก็คืออริยมรรคเกิดขึ้นแทงตลอดทุกขาริยศาสตร์ด้วยอำนาจของทุกขศาสตร์ก็รู้ด้วยอำนาจปริญญาญกิจนะครับรู้ด้วยอำนาจปริญญาสมุทัยศาสตร์ก็รู้ด้วยอำนาจปานะนิโรศาสตร์ก็ด้วยสัชิกิริยานะครับอริยมรรคก็ภาวนาก็แทงตลอดอริยมรรคนะครับบดว่าปันดิโตได้แก่ผู้เป็นบัณฑิตเพราะเป็นพหูสูตรในทางปฏิเวชนะครับ อันนี้ก็กล่าวยกย่องถึงผู้ที่อยู่ไกลพระองค์นะที่พระองค์ตรัสว่าส่วนบุคคลใดเป็นบัณฑิตรู้ธรรมะด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ธรรมะอันยิ่งรู้ธรรมะด้วยปัญญาหมายถึงแทงตลอดอริยสัจนะครับเครื่องรู้ธรรมะอันยิ่งนั้นก็เป็นชื่อของยาตะปริญญากับตีรณปริญญาเป็นผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้สงบประงับเปรียบเหมือนห้วงน้ําที่ไม่มีลมฉะนั้นบุคคลนั้นผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้ ทั้งดับความเร่าร้อนได้แล้วผู้ไม่กำหนัดยินดีเชื่อว่าเพึงเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้ทั้งดับความเร่าร้อนได้แล้วปราศจากความกำหนัดยินดีในที่ใกล้แท้นะครับคนที่มีคุณธรรมอย่างที่ว่านี่นะครับเป็นบัณฑิตทั้งในทางพหูสูตรและก็ในทางปฏิเวชนะครับคือบัณฑิตนี่มี2 อ, อย่างนะครับบัณฑิตในทางร่ำเรียนมามากอย่างหนึ่งกับในผู้บรรลุมรรคผลนี่อย่างหนึ่งนะครับ บทว่าระหะโทวะนิวาเตจะความว่าเป็นผู้ไม่หวั่นไหวคือเว้นจากความหวั่นไหวเพราะกิเลสนะครับเงียบสงบอยู่เหมือนห่วงน้ำในที่สงัดลมฉะนั้นอธิบายว่าห่วงน้ำนั้นในที่สงัดลมไม่ถูกลมพัดจะเรียบราบอยู่ไม่มีคลื่นฉันใดแม้ภิกษุนี้ผู้มีกิเลสสงบแล้วเว้นจากความหวั่นไหวเพราะกิเลสจะสงบอยู่ด้วยสมาธิ ที่สัมปยุทธ์ด้วยรหัตผลในที่ทุกแห่งคือจะเป็นผู้มีสภาพสงบทีเดียวตลอดกาละทุกเมื่อนะครับสงบเลยนะเพราะว่ารหัตผลเนี่ยไม่วันวายแล้วนะครับไม่วันวายด้วยอํานาจโลกธรรมเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะว่าถึงคนมายกย่องชื่นชมกับท่านขนาดไหนท่านก็เท่าเดิมนะครับหรือคนมาด่ามาว่าร้ายท่านเท่าไหร่ท่านก็ยังเหมือนเดิมนะครับบทว่าอาเนโชวความว่าภิกษุนั้นเป็นพระ้าหัน มีสภาพไม่หวั่นไหวเป็นต้นโดยโอกาสถึงจะอยู่ไกลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีสภาพไม่หวั่นไหวก็เหมือนกับอยู่ไม่ไกลคืออยู่ในสำนักนั้นนั่นเองตามสภาวธรรมดังนี้นะครับคือใกล้กันด้วยคุณธรรมนะครับใกล้กันด้วยอรหัตผลเหมือนกันนะนะอรหัตผลของพระพุทธเจ้ากับอรหัตผลของพิสูจน์ทั้งหลายนี่ไม่ได้ไกลกันเลยนะครับใกล้ๆ ก, กันถึงจะรูป รู ป, ปกายเนี่ยนะครับจะอยู่คนละประเทศคนละทวีปก็ตามหรือว่าอยู่คนละพบคือหมายถึงว่าองค์หนึ่งเนี่ยอยู่ที่พรหมโลกองค์หนึ่งเนี่ยอยู่ในมนุษย์เนี่ยนะครับแต่จะว่าไปแล้วก็อยู่ใลกล้กันนั่นเองนะครับอันนี้ก็สังคาติสูตรนะครับว่าเราจะจับชายสังคาติหรือไกลสังคาติก็วัดได้จากคุณธรรมนะครับแต่ว่าโดยรูปร่างกายนี่ก็ห่างแล้วล่ะนะครับตอนนี้ก็สังเกตดูจิตใจว่าอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้นะครับอย่างนี้ อ, อ, อย่างนี้เราอยู่ประเทศไทยอย่างนี้ก็ถ้าใครสามารถปฏิบัติตามอริยมรตที่พระผู้มีภภพระภาทเจ้าตัดไว้ก็สามารถที่จะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ได้นั่นเองครับผมก็ใกล้ด้วยคุณธรรมนะครับแต่นีนใกล้หรือไกลก็วัดใจเอาเองก็แล้วกันนะครับเอาสูตรนี้แหละครับวัดดูเนี่ยนะเนี่ยธรรมะอภินญญายะมีไหมนะครับธรรมัญญยายะเนี่ยนะรู้ธรรมไหมนะครับ ทำปริญญาเป็นต้นไหมถ้าทําก็แสดงว่าใกล้หน่อยไม่ได้ทํายาตาปริญญาตีรณนะปริญญาปะหานาะปริญญาทุกใหม่กำหนดรู้สมุทัยไม่ละอะไรสักอย่างเลยเนะี่ยก็ห่างทั้งกายและใจนะครับ<อ>นะครับไอพหูสูตรในทางปฏิเวชนี่เป็ไงคือเป็นพหูสูตรไหมคราบว่าแทงตลอดนะครับผู้ที่บรรลุธรรมนี่ก็ชื่อว่าพหูสูตรเหมือนกันนะครับผู้ที่บรรลุอริยมรรคอริ ย, รยผลเนี่ยนะ ขณะที่บรรลุก็ชื่อว่าพหูสูตรเหมือนกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาแทงตลอดมักผลนิพพานอ่ะนะผลพหูสูตรเนี่ยจึงมีอยู่สองอย่างคือพหูสูตรในทางปริยัตเนี่ยอย่างหนึ่งคือเรียนฟังคําสอนมามากกับบรรลุคําสอนนั้นๆ น, น, นะครับอันทั้งสองอย่างนั้นก็เรียกว่าพหูสูตรบุคคลเหมือนกันเพราะบางแห่งอธิบายเลยว่าความเป็นพหูสูตรเนี่ยนะครับแม้แต่เรียนไม่มาก เปียนคาถาเนี่นะคะรับเปียนคาถาคาถาเดียวนี้แหละแต่ไปปฏิบัติทำสมควรแก่ทำสามารถบรรลุมรรคผลได้เขาก็เรียกว่าพหูสูตรเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้มุ่งยกย่องคําว่าบัณฑิตบัณฑิตที่เป็นพู้หูสูตรในการตรัสรูม้มรรคผลนั่นเองนะครับขออนุญาตการให้เราน้อมและเลิกนึกถึงพุทธคุณเนี่ยอิติปิโสพระควาพระเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าองค์นั้นเนี่ย ในวิสุทธิมรรคก็ยังบอกนะครับว่าออโดยเฉพาะถ้าเอาอิติปิโสมาประกอบเสทุกบทตุกบทว่าอิตธิปิโสสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังพรรณนาอันนี้สองตอนสุดท้ายอีกต่อไปว่าบุคคลใดก็ตามนะครับถ้าหาว่าจเจริญพุทธานุสติกรรมฐานเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับเวลาจะไปประจวบไปศบกับสิ่งที่มันจะทําให้ศีลเนี่ยกำเริบวิบัติไปนะครับก็จะเกิดฮิริโอตปะ นะครับเหมือนกับอยู่ต่อหน้าภาษาสดาอย่างเงี้ยเอ่หผมก็เลยมานั่งนึ ก, นกว่าการที่เราละเลึกนึกถึงพุทธคุณอยู่เป็นประจำประจำเนี่ยขณะที่กําลังละเลึกนึกถึงเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นพู้ที่อยู่ใกล้พวกเราคืองอยู่นะฮะก็ <laughs> ขณะนั้นก็ใกล้แหละครับใช่ขณะขณะที่เจริญนี่ก็อยู่ใกล้แล้วนะครับ <laughs> แต่ทีนี้เราก็เอาชั่วโมงมาวัดดูนะครับว่าเออวันหนึ่งยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยนะ จิตเป็นไปกับแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์แม้เพราะเหตุนี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะกี่ชั่วโมงนะครับก็วัดดูได้ว่าใกล้ขนาดไหนนะครับควรที่จะใกล้ชิดหรือว่าไปใกล้เป็นเวลาใกล้เป็นพักๆครับเป็นพักๆ น, นะก็ยังดีแล้วครับยังไงยังไงก็ได้วันละสองรอบก็ดีนะครับเช้ากับค่ํำก็ยังดีแต่เป็นไปได้ก็ควรละมากรอบกว่านั้นอีกนะครับควรจะเสริมทุกครั้งที่ระลึกได้นะครับ และลึกถึงคุณของพระองค์เมื่อไรก็เจริญเมื่อนั้นแหลคะครับ